ไปกินข้าวเห็นไหมจิตทำงานได้เองเห็นบ้างไหมหรือร่างกายทำงานอัตโนมัติอย่างเดียวเลยไม่เห็นจิตเลยเหรอมีไหมเห็นคนแซงเดินหน้าเราอเนี้ยนะตักของอร่อยไปก่อนเราอะไรเห็นแล้วเจ็บใจ มีพระองค์หนึ่งท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นลูกเศรษฐีนะอยากฉันข้าวเหนียวถั่วดําทีแรกก็ไม่ได้อยากฉันหร อ, อกออบวชวันหนึ่งเห็นพระวินทบาทได้ข้าวเหนียวถั่วดํานะอยากกินนะของชอบท่าก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีคนใส่บาตรท่านบ้างวันหนึ่งท่านก็เดินไปวินทบาทนะเห็นคนเขามีข้าวเหนียวถั่วดําทั้งหลายถุงเนะี่ยดีใจ เาก็ใส่มาเรื่อยนะถุงสุดท้ายอะ่ะใส่ให้พระก่อนหน้าท่านขาดไปถุงหนึ่งจิตใจก็เศร้ามากเลยอีกวันหนึ่งไปบินธบาดอีกนานๆก็นนได้ข้าวเหนียวตัวดำมาคราวนี้เข้าใส่บาทท่านดีใจนะอิมโอมอิ่มใจพาบาทกลับมาวัดทำเนียมวัดป่าได้อาหารมาแล้วเทไปรวมกัน พระที่อาวุโสกว่าหยิบไปก่อนอีกอุตสาบินทบาทได้นะก็ไม่ได้ฉันท่า น, นบอกว่านั้นร้องไห้เลยลางคืนนะล้ร้องไห้สงสารตัวเองว่าโอ้เราลูกเสร็จทีนะตอนนั้นข้าวเหนียวตัวดำถุงละห้าบาทอยากกินอยู่เป็นปีแล้วไม่ได้กินเลยนี่เป็นพระนะจะพาะนานได้เปรียบโยมตรงเนี้ยมันจะเห็นกิเลสได้ชัด พวกเราอยากกินเข้าวเนียวทอดดำทุกไหมไม่ทุกอย่างเดียวไปหาเมื่อเห็นเดือดร้อนเลยเวลามีความอยากอะไรเกิดขึ้นนะเราสนองได้อย่างรวดเร็วเราไม่เคยเห็นทุกเห็นโทษือว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วความทุกเกิดขึ้นส่วนพระหรือนักบวชเนะี่ยตูว ง, ง่ายอยากกินหรือไม่ได้กินออกอยากจะทําอย่างโน้อนอยากจะทำํำนี้มีแต่ข้อห้ามเต็มไปหมดเลย อย่างพระบวชใหม่ต้องอยู่ครูบาอาจารย์ตั้งหพรรษานะไปไหนก็ไม่ได้ถ้าอาจารย์ไม่พาไปไปใช้เดี่ยวอะไรเงี้ยไม่ได้เลยเหมือนติดคุกไกลๆเครียดนะไปอยู่บนภูเขาอยู่ในป่ามาป่ามาทั้งฝูงหนึ่งมาป่าตัวเดียวเนี้ยไม่มีความหมายนะฝูงใหญ่ๆมีความหมายนะ มันหาตัวอื่นกินไม่ได้มันอาจจะอยากกินพระดูบ้างก็ได้ <c oughs> ไปอยู่ในป่านะไม่มีอะไรที่จะป้องกันตัวเลยหมามาแล้วทำไงอันนี้เป็นเคสจริงๆอะ่ะท่านก็ภาวนาไม่รู้จะหนีไปไหนนะวิ่งหนีมันก็ ว, วิ่งเร็วกว่ากลางคืนนะ้มันมองเห็นได้มากกว่า <c oughs> ไม่มีทางสู้สักอย่างเดียวกูติก็ไม่มีฝา ใครเคยเห็นกุฏิแบบไม่มีฝามั้งมีแต่หลังคากับที่นอนอยู่นิดเดีย ว, ว, มย ว, วยมไม่มีที่หลบเลยชวนตัวขึ้นมาจริงๆไม่มีที่พึ่องอื่นคิดฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าคิดถึงเราบวชมาเนี่ยได้บุญได้กุศลถ้าจะตายวันนี้ชีวิตก็ยังไม่ไม่เสียเปล่าหนึ่งแต่ขอให้ไม่ตายก็ดีไว้ก่อน ขอแผ่ส่วนบุญให้หมาบ้างอะไรบ้่งนะแล้วแต่คือใจพอไม่มีที่พึ่ ง, งจริงๆก็จะไปคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ใจจดจอว่าจะตายก็ขอคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วตายไปอะไรเนี่ยเขาพานาณนะพาวนาโยมไม่รู้สึกหรอกอย่างเงี้ยงั้นเวลาเป็นพระนะเป็นนักบวชเนะเหมือนเข้าสนามรบเลยไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอก ใช่บวชเล่นๆบวชทรงเดชถ้าบวชแล้วจะเป็นพระดีเป็นแม่ชีดีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องต่อสู้อย่างหนักเลยสู้กับใจของตัวเองนี่แหละพระสารีบุตรก็เคยสอนลูกศิษย์ท่านนะเป็นพระเนี่ยอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นนะอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนถ้าเป็นเด็กรุ่นนี้ได้ยินพระสารีบุตรพูดก็จะต้องย้อนท่านอีกก็ยังดีได้ร้อนบ้างเย็นบ้าง ดีกว่าไม่ได้เลยนะท่านสอนให้เห็นว่าจริงๆแล้วการออกบทไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกจะ ต, ต้องต่อสู้ต้องเข้มแข็งมากไม่ใช่ง่ายหรอกไม่เหมือนบทชั่วคราวนะบทชั่วคราวไม่ไม่เดือดร้อนใจไม่รู้สึกขาดอย่างถ้าบวชถาวร น, นะตั้งใจว่าไม่สื่ออีกเนี่ยเรื่องกามที่ว่าไม่เคยมีพิษสงนะมีพิษสงนะ ใจอย่ารู้สึกว่าต่อไปนี้ไม่เจออีกแล้วอยากกินอย่างนี้ไม่ได้กินแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบกินหูฉลามต่อไปนี้ไม่มีแล้วใจไหมไม่ง่ายนะบวชนะไม่ยากหรอกมีผ้าไตรมีบาทขันนาคเป็นก็บวชได้นะแต่บวชแล้วอยู่ยากนะต้องต่อสู้จริง สังเกตไหมเมื่อกี้เริ่มสังเกตเห็นกันแนละ้พอหลวงพ่อหยุดพูดนะจิตเลื่อดเริ่มไหลไปทํางานดูออกไหมเริ่มไหลไปคิดให้คอยรู้ทันเรื่อยๆไม่ห้ามจิตจะไปคิดไม่ห้ามนะแต่ให้รู้ทันจิตจะสุขก็ได้จิตจะทุกข์ก็ได้ไม่ห้ามไม่เลือกด้วยจิตจะดีก็ได้จิตจะชั่วก็ได้ไม่เลือกนะจิตมันเป็นกุศลขึ้นมาให้รู้ทันจิตเป็นอกุศลให้รู้ทัน รู้เนืองๆไปรู้เพื่อวันหนึ่งจะเห็นความจริงไม่มีอะไรที่คงที่เลยไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยเนี่ยฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าใจยอมรับความจริงได้ทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรเป็นอมตะเลยจะเห็นถ้าอย่างนี้ได้พระโสดาบันนะพอนาไปเรื่อ ย, อยเห็นมีแต่ทุกข์สิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวมีตน สิ่งที่เกิดมาแล้วดับไปนะ้มีแต่ตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แยมแจ้งแนละ้วจิตก็ปล่อยไม่ยึดถือไม่ยึดถือก็จบกันโดนนั้นเป็นพระอรหันต์มีความสุขที่สุดนะมีความสุขมากจิตที่พ้นจากความอยากนะตัณหานะตัวสมุทยัยจิตที่พ้นความอยากจนะมีความสุขมาก พวกเราสังเกตไหมเวลามีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีนะสิ่งที่เราอยากนะั้นเป็นเรื่องที่ไม่ตรงความเป็นจริงที่กําลังเป็นอยู่เช่นเราอยากไม่แก่ตอนนี้ชักแก่เลยอยากไม่แกนะ่ตอนนี้เจ็บไข้ก็อยากให้หายเร็วๆนะมันอยากในสิ่งซึ่งมันไม่มีนะหน้าตาก็น่าเกลียด อยากมีแฟนรอ้อหล่ออะไรเงี้นะออยากอยากในสิ่งซึ่งมันสังเกตไหมที่เราอยากมันของไม่มีหรือของที่มีไม่ได้อยากให้ความสุขเป็นอมาตะไม่มีความสุขมีแต่ของชั่วคราวเมื่อเราไปอยากในของซึ่งมันไม่มีจริงมันไม่สมใจหรอกมันต้องทุกข์แน่นอนเลยแต่ของที่เป็นอยู่แล้วเรายอมรับได้เราก็ไม่อยาก งั้นเรามาเฝ้ารู้ลงในกายในใจนะจนใจมันยอมรับความจริงได้ความจริงของกายความจริงของใจได้ความอยากจะไม่มีถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้ใจก็มีความอยากขึ้นมาใจมีความอยากขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาบางคนมีเมียขี้บน่นเมียขี้บน่นอยากให้เลิกบน่นใครเคยเจอคนขี้บ่นแล้วอยากให้เขาเลิกบ่นไหม เป็นไปได้ไหมไม่ได้ทุกเปลา่าอยากแล้วก็ทุกเปลา่าเปลา่ารุ่มใจเปลา่าเปลา่าแต่ถ้ายอมรับความจริงได้ไว้อีนี่มันขี้บน่นเป็นมาตั้งแต่แม่มปแล้วเนี่ยรู้ความจริงดูนางให้ดูแม่ดูช้างให้ดูหางดูนางให้แม่แ ม, แม่ก็ขี้บ่นอย่างนี้แหละเราเป็นเซอร์เองเพาใจยอมรับได้นะเขาเป็นอย่างนี้แหละมันต้องเป็นอย่างนี้แหละความอยากไม่เกิดนะไม่ทุกมากความทุกจะหายไปเลย น้ำจะมาท่วมกรุงเทพปีไกลไม่อยากให้ท่วมใชถไหมทุกไหมพอมันท่วมแล้วก็โปรงตกใช่ไหมเออมันต้องท่วมนะ่รเดี๋ยววันหนึ่งมันคงลดความทุกข์ลดลงแล้วในชะ่ไหมตอนน้ํายังมาไม่ถึงกลุ่มมากรู้สึกไหมทุกมากรุ้นจะมาไม่มาจะมาไม่มานอนกลาคืนฝันว่าน้ําท่วมพอน้ํามันท่วมไปสักพักหนึ่งนะยอมรับความจริงไม่ปฏิเสธความจริงว่าน้ําต้องท่วมนะ ความทุกข์ในใจก็ลดลงอยากได้เงินเดือนหลายๆขั้นนี่ถึงเดือนกันยาแล้วใครเป็นข้าราชการบ้างในนี้มีไหมโอ้มีนะข้าราชการราฐวิสาหกิจมีไหมเอกชนเขาเลื่อนเงินสิ้นปีใช่ไหมเนี่ยลุ้นอยากได้หลายๆขั้นทุกคนอยากเหมือนกันหมดเลยอยากได้สองขั้นมีคนไม่ได้แต่มีคนได้ คนได้ก็ดีใจแป๊บเดียวนะคนไม่ได้ก็เสียใจอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากนะเสียใจนะแค่มีความอยากแล้วลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ทุกแล้วละ่นะเมื่อความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกเกิดขึ้นทุกทีความอยากแรงเท่าไรความทุกก็แรงเท่านั้นนะี่เราคอยรู้ทันใจของเราไปเราไม่ได้รู้เพื่อจะห้ามมันไม่ให้อยาก แต่เราร er ู ements, ้เพื créer, ่อให้เห็นความจริงของชีวิตดูลงในกายดูลงในใจเพื่อให้เห mm ็นความจริงของชีว <t> <demonstrations> ิตว่าทุกอย่างชั <t> <media> your, your ่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้ถ้าจิตใจเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตเราบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากความอยากจะไม่เกิดขึ้นนี่เป็นวิธีทําลายตันหาแบบถอนรากถอนโคนเลยทำลายตันหาด้วยการทําลายอวิชชาความไม่รู้ความจริงของกายของใจนะ ถ้าเรารู้ความจริงแล้วร่างกายนี้มีแต่ของแปรปรวนแล้วจยอมรับตรงนี้นะร่างกายจะแก่ไม่ทุกนะมันเรื่องธรรมดาร่างกายจะเจ็บก็ไม่ทุกมันเรื่องธรรมดาร่างกายจะตายก็ไม่ทุกมันเรื่องธรรมดาถ้าเราเห็นความจริงในจิตใจว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่น่าชอบใจเราก็ไม่ทุกเราก็รู้ว่ามันของชั่วคราว เวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเราก็ไม่ทุกขเรารู้ว่าความสุขมันชั่วคราวเน่อยู่ที่ว่าเราได้สามารถเห็นความจริงของกายของใจของเราบ่อยๆไหมว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้นะไม่อยู่ในอำนาจมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดมาแล้วมันก็ไปถ้าอยอมรับได้นะความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายความทุกข์อยู่ที่ร่างกายแต่เข้ามาไม่ถึงจิต พลาดพลาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักก็ไม่ทุกนะไม่ทุกเพราะว่าความรักความชังเนี่ยเราเห็นชัดแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่บังคับได้เลยมาแล้วก็ไปนั้นอย่างบางทีได้อยู่กับสิ่งที่รักที่พอใจได้ของชอบใจมาเี่ยมีความสุขนะความสุขก็ชั่วคราวแล้วก็หายใครแต่งงาน10ปีขึ้นไปบ้างมีไหมก่อนแต่งกับหลังแต่งเหมือนกันไหม ไม่เหมือนหรอกก่อนแต่งมันนิยายซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงเจ้าชายโลกหวานแววเนาะแต่งหลายๆปีงี้ยงั้นะ่ะธรรมดาธรรมดาแม้ความสุขก็ไม่คงที่นะงั้นไม่ต้องดิ้นรนหาแฟนนะได้แฟนมามีความสุขแป๊บเดียวแหละความสุขไม่คงที่หรอกไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะทุกอย่างที่ได้มานี่ให้ความสุขได้ชั่วคราวเท่านั้น เราพอดิ้นรนพออยู่พอกินในโลกพอเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวทำความดีงามไปงานหลักของเราจริงๆก็คืองานพัฒนาใจตัวเองรู้เท่าทันลงไปเรื่อยในกายในใจมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอรู้ไปถ้าความอยากจะไม่เกิดขึ้นอย่ยงเรารู้ความจริงว่าร่างกายไม่เที่ยงนะความอยากให้ร่างกายเป็นหนุ่มสาวตลอดแข็งแรงตลอดนะเป็นอมตะไม่ตายไม่มีความอยากอย่างนี้ไม่เกิด ไม่เกิดก็ไม่ทุกข์เพราะกายอยากอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแหละนี่ค่อดูลงในกายในใจให้มากทำลายความอยากไปได้รู้ความจริงก็ละความอยากได้ก็มีความสุขสบายเป็นอิสระเรารักอะไรเราก็ทุกข์เพราะนั้นนะใครเคยอ่านกรรมนิทมาสิทธิบ้างพระพุทธเจ้าสอนว่าที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ ความจริงอันนี้ท่านไม่ได้สอนกามนิทวาสิทธีหรอกนั่นมันนิยายคนที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะคือพระนางมาริกามาเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้ากโกศลเนี่ยไปถามพระมาเหศรีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำไมเธอนับถือมากนะักบอกสอนว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เมื่อท่านฟังแล้วท่านงดหงิดนะที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขสิใช่ไม นางมลิกาอาธิบายไม่ได้นะให้คนไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้อธิบายพระพเจ้าก็บอกว่าอย่างเรามีนานะเราก็รักนาใช่ไหมรักที่ดินที่เรามีใครจะมาล่วงล้ำเราก็กลุ่มใจนะเรามีที่ดินแล้วเราก็เสียอิสรภาพเพราะที่ดินเรามีวัวเรากลัววัวหายนะกลัววัวตายกลัววัวไม่สบายเราก็ทุกข์เพราะวัว ถ้ายุค ข, ของเรานี้มีรถยนต์ก็ทุกพรารถยนต์นึกออกไหมมีรถยนต์ทุกพรรถยนต์ใครเคยอาบน้ําให้รถยนต์บ้างมีไหมใครเคยอาบน้ําให้พ่อแม่บ้างพวกที่ล้างรถยนต์เ <c oughs> หลือซือคนเดียวรักมากกว่าแม่อีก <c oughs> มีรถยนต์ใหม่ๆถูกเขาขีดเป็นไงสดชื่นไหมโอ้โลกนี้ไม่เที่ยงถูกเขาขีดเป็นรอบขันเลยไม่เที่ยงธรรมดา ฝาล้อถูกแงะไปแล้วรู้สึกไงทุกข์ไหมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์คำว่ารักเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยนะไม่ได้แคบแค่เลิฟนะรักตัวนี้หมายถึงรักใคร้ผูกพันไม่ว่าเรารักใครผูกพันกับสิ่งใดนะเราจะเสียอิสรภาพเพราะสิ่งนั้นเรารักบ้านเรานะเราก็เสียอิสรภาพให้บ้านไปไหนไม่ได้เลยกลัว ค, คนมางัดบ้านนะเรารัก คนคนนี้ต้องเอาใจเขาเสียอิสรภาพรักลูกเสียอิสรภาพไหมอยากนอนให้เต็มอิ่มนะมันชอบแหกปากตอนกลางคืนตอนเราตื่นก็ไม่ร้องชอบร้องตอนเราหลับอะไรเงี้ยนะต้องลุกขึ้นมาปริบัติมันรักสิ่งใดเสียอิสรภาพเพราะสิ่งนั้นนะความรักเกิดขึ้นที่ใดภาระเกิดขึ้นทุกทีผ่าน ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีท่านถึงสอนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะนถ้าไม่มีแฟนได้ไม่ต้องกลุ่มใจนะก็ลดโอกาสทุกข์ไปได้ตัวหนึ่งนะเหลือรักตัวเองก็ทุกข์เพราะตัวเองรักคนอื่นก็ทุกข์แถมคนอื่นเข้าไปด้วยถ้ายิ่งมีลูกนะยิ่งทุกข์เยอะอะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรแต่คําว่าบุตรเนี่ยรวมทั้งที่ด่าด้วยไม่ใช่ว่า ไม่เอาลูกชายจะเอาแต่ลูกสาวมันดิดไม่ปรารถนาบุตรเพราะมันเป็นภาระเป็นภาระรักมากก็นำความทุกข์มาให้มากงั้นพวกเรานะพยายามมาฝึกตัวเองไม่ใช่ฝึกใจทมินหินนชาติไม่รักใครเลยไม่ใช่มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มาก กระทั่งกายนี้ใจนี้ซึ่งเรารักที่สุดห่วงแหนที่สุดนะวันหนึ่งเราจะเห็นว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเรารักอะไรมากที่สุดเรารักตัวเองมากที่สุดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจถ้ากระทั่งกายกับใจยังไม่ยึดก็จะไม่ยึดอะไรในโลกหรอกนะงั้นมาเรียนรู้กายรู้ใจให้มากหมดความรักกายรักใจแล้วก็จะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนในะความสุขที่อศัศจรรย์ที่สุดเลย เราจะหมดความรักกายรักใจไม่ใช่แกล้งไม่รักแกล้งเกลียดไม่ใช่แต่เป็นเพราะได้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยนึกไม่หรอกกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีถ้าเห็นอย่างนี้มันจะคลายความยึดถือไปเองตอนไม่ยึดถือน่าสบายมีอิสระแก่ก็มีความสุขต่างกายไม่สบายนะจิตใจก็ยังมีความสุขอยู่คนที่เรารัก ไม่อยู่แล้วตายไปแล้วแล้วก็อยู่มีความสุขนะเราต้องเจอคนที่ไม่ชอบใจเลยแล้วก็ยังมีความสุขอยู่ได้แปลกดีนะไปลองดู<ม>อ้าวใครจะส่งกันบ้านเชิญถามต่อจากเมื่อวานเจ้าค่ะหลวงพ<ม>่อคือหลวงพ่อบอกว่าให้กลับไปปฏิบัติให้สม่ำเสมอแต่ลูกไม่แน่ใจว่าจะช่วยมันยังไงดีเจ้าค่ะก็มีวิไไนัยนะแบ่งเวลาไว<ม>้ทาไป<ม>ทุกวัน เจ้าค่ะต้ปฏิบัติตามรูปแบบก็ทํากับทุกวันอยู่แล้วเจ้าค่ะนั่นจะเพิ่มเวลาไหมเจ้าค่ะไม่จำเป็นถ้าจะเพิ่มนะเพิ่มความถี่เจ้าค่ะหลายรอบอย่างเช่นจากเย็นอย่างเดียวก็เป็นเช้าเย็นเออเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ใช้วิธีนั้นแหละเราเป็นคารวะเราจะมานั่งภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงไม่มีปัญญารำหรอกยิ่งตกค่ามานะสมสารกลับมาบ้านเหมือนนกปีกหักอยู่แล้ว ถึงก็อยากสุกหัวนอนแล้วไม่อยากทําอะไรแล้วไม่มีแรงแล้หลวงพ่อก็ซอยเลยเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ทํานะนั่งรถไปทํางานแต่ก่อนนั่งรถเมล์สบายนั่งรถเมล์ไปแล้วเราก็ดูของเราไปดูกายดูใจไปเจอคนสวยๆเราก็ดูเหมือนกันแหละเราไม่ใช่เป็นขันธีนี่ะดูไปแล้วใจชอบรู้ว่าชอบนึกถึงมหมาเห่าหรือบินเราก็ดูของเราสอนตัวเองบ้างอะไรบ้างจะกินข้าวก็ดูนะ จะอาบน้ําก็ดูจะขับถ่ายก็ดูจะทําอะไรรก็คอยดูไปกระทั้งดูละครยังดูจิตไปเลยเห็นตัวนี้เกลียดมันรู้ว่าเกลียดเห็นตัวนี้ชอบมันรู้ว่าชอบสงสารนางเอกถูกนางผู้ร้ายแกล้งสงสารรู้ว่าสงสารมันถูกแกล้งมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งยันตอนที่60สแล้วยังถูกแกล้งอยู่อีนี่โง่ถาวรชักโมโหละโมโ ห, หนางเอกแล้วรู้ว่าโมโหนะ รู้สึกเข้าข้างหนังผู้ร้ายดีกว่าเราเข้าข้างคนผิดเราตัดไปลองลองดูหนังใหม่นะลองเข้าข้างผู้ร้ายดูเราจะเสียใจตอนจบทีเดียว <c oughs> ไปเข้าข้างนางเอกนี่นะ่เสียใจมันทั้งเรื่องเลยไปดีใจตอนจบทีเดียว <c oughs> ไปหัดต่อนะที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะ <c oughs> ดี <c oughs> จิตมีกำลังแล้ว ก, การวันวัฒนการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อมันพยายามรักษาตัวที่ดีอยู่เทอรักษามากไปมันเหนื่อยน ะ, ะนี่ไงรักอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นจะรักษาจิตที่ดีที่งามทุกข์น ะ, ะให้คอยรู้เท่าทันไป<ะ>เราแทรกแซงและเบื้องหลังการรักษานะไม่ใช่ความอยากดีนะแต่คือความอยากมันก็คือความอยากนั่นแหละจะอยากดีอยากเรวมันก็คือความอยาก ให้รู้ทันใจที่โลกอยากดีอยากรู้สึกตัวตลอดเวลาอยากได้มรรคผลอยากอะไรตอ่ออะไรรู้ทันมันเข้าไปเลยแล้วก็ขยันภาวนาไปแต่อย่าให้ความอยากครอบงำของผมของผมผ ม, มีเวลาเยอะเนี่ยผมก็ใช้ซอยอย่างที่ของน้องเขาหรือว่าใช้ใช้เวลาแต่ยังไงซอยอย่างซ ย, ซยแต่ซอยทีเวลาภาวนานะถ้าอยาให้ดีนะอย่าไปคิดจะทํารวดเดียวตลอดทํารวดเดียวตลอดเครียดเครียดใช่ อย่าไเคลียดมันภาวนาหนะาซอยชีวิตเราให้เป็นช่องเล็กๆเล็กๆทั้งที่มีเวลามากใช่ไหมครับ ไ, ไม่เห็นเป็นไรเลยเวลามากมันก็คือไอ้ช่วงเล็กๆที่ต่อกันเยอะๆเท่านั้นเองผมช่วงนี้ผมใช้เดินยังกลมแล้วก็มาขยับมือมันทําด้วยโลบมันยังโลบอยู่เอ อ, อ, อให้รู้ทันใจที่โลบนะแล้วก็ขยับเล่นไปแล้วก็รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายขยับใจเป็นคนดูเรื่อยนะทําให้สบายนะ เอาพัดมาสักอันก็ได้หลวงพ่อนะเป็นคนขี้โมโหนะนี่ใส่นะโทสะจริตตัวจริงเลยไปเห็นหลวงพ่อเทียนทําทําอย่างนี้นะก็ทําบ้างนะทําทําเป็นนะทําเป็นแต่ทําแล้วลาคาญโอ้ยตั้งสิบสี่ขั้นลาคาญเลยแอปพลายใหม่เลือแค่นี้เองโหสบายเลยแค่เคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเนะี่ยพัดไปแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยพัดไปแม่งวันมาอืม้มชักอาคาดเนี่ย ก็รู้ว่าอาฆาตเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกสบายแต่ถ้าเป็นคนราคะจริตนะสบายเกินไม่ได้ถ้าพวกโทรศัจริตเนี่ยลําบากเกินไม่ได้นะมันโมโหมีปนกันนะครับนานใช้เวลานานเขามันก็เริ่มโทรศโทรศัพทั่วพื้นมาเลยตัวโทรศัพงั้นทํากรรมฐานที่อ่อนๆที่สบายเช่นเจริญเมตตา ผมไปเดินที่สบายๆแล้วดูลมไปเรืยย่องเยมันรู้สึกมันสบายเออต้องอย่างนั้นแหละไปนั่งในร้านกาแฟแล้วดูลมนอนด้มันรู้สึกมันมีมันสงบหลวพ่อมันเปลือง <c oughs> ต้องไปนั่งร้านกาแฟแหม <c oughs> เกิดคิดดูนะเกิดไปบรรลุธรรมในร้านกาแฟแล้วตอนเขียนประวัติพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์บรรลุตอนอยู่คอฟฟี่ช็อป ฟังเราไม่น่านับถือเลยผมต้องไม่ทําอะไรเพิ่มหรื อ, อะไรทำให้สบายอย่าไปทําด้วยโลภนะทํำด้วยโลภนะแล้วโทสะมันขึ้น <Yeah. S 1> โทสะขึ้นแล้วยิ่งตะบีตะบันทมยิ่งไม่ได้เรื่องหรอก <Yeah. S 1> ต้องมีความสุขอย่าอยากได้ผลเร็วๆนะที่มันตะบีตะบันทำเนะี่ยเพราะมันอยากได้ผล ถ้าเราแค่ว่าเราจะเรียนรู้ความจริงของกายเราจะเรียนรู้ความจริงของใจเรื่อยไปตั้งใจไว้แค่นี้นะพอแล้วพอดีเลยเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจท่านเนี่ยเรียนรู้ความจริงของมันมันเคลื่อนไหวได้ทําไมมันเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งเนี่ยร่างกายขยับได้เพราะจิตมันสั่งนะจิตสั่งให้หยุดมันก็หยุดสั่งให้เคลื่อนมันก็เคลื่อนร่างกายไม่ใช่มีอะไรเป็นแค่วัตถุถุยถูกสั่งงานได้ ไปหัดดูเล่ได้หัดให้สบายนะอย่าเพิ่งบวนยังบวนแล้วจะหัวปักหัวปักเครียดบวชแล้วอยากศึกหลวงพ่อครับตอนนี้หนูเมันมันหาสมดุลของสมถ<า>ะนี้สนาไม่เจออยาหา <laughs> ให้รู้ว่าใจโลภเอาปัจจุบันไปเรื่องนะใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านใจสงบหรือว่าสงบเอาตัวนี้กัน เมื่อวาน ห, หลวงพ่อบอกว่าให้ไปบริกรรมเพิ่มบริกรรมไปสิพุโทโธไปหายใจฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุงา้งซ่านแต่เหมือนจิตมันไม่รับอะค่ะม ไ, มไม่ชอบพุโทโธเหมือนจิตมันยิ่งเครียดอะค่ะเวลานะบริกรรมเพิ่มมยบริกรรมเนี้ยไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบนะไม่ชอบบริกรรมแล้วหายใจได้ไหมเคยหายใจแล้วมันไปรวมกับลมอะค่ะหลวงพ่อตอนนี้หายใจอยู่หรือเปล่ า, หาเห็นไอ้ตัวนี้หายใจอย่าน้อมจิตลงไป อย่าไปบีบจิตให้ซึมรู้สึกเฉยๆเวลารู้สึกรู้สึกห่างๆเห็นร่างกายอยู่นอนใจเราอยู่ตาห่างเห็นมันหายใจสบายๆไม่เข้าไปคลุกวงในเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปที่ลมรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจเล่นๆไปงั้นน่ะตัวหลักที่เรารู้ก็คือรู้ทันจิตแต่รู้ทันจิตนั้นไม่ใช่เพื่อบังคับมันนะแค่รู้ว่ามันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ หรือว่าช่วงนี้หนูต้องเลิกทำสมถะไปก่อนหรเปล่าคะแล้วไปใช้สมถะไม่ได้เลิกเสียหายนะหนูไม่ถึงขนาดติดสมถะรุนแรงถึงขนาดต้องเลิกหรอกจะทำไปได้แต่ว่าทำไปน้นตั้งใจไว้ใหม่ไม่ได้ทำเพื่อสงบทำไปเพื่อเห็นกายมันหายใจเราจะเป็นแค่คนดูร่างกายที่หายใจตั้งใจไว้แค่นี้เราจะเห็นร่างกายมันหายใจ ทำใจแค่เนี้ยสงบหรือไม่สงบช่างมันถ้าตอนนี้เห็นมันติดเพ่งเป็นระยะระยะใช้ได้ละตัวที่รู้ว่ามันติดเพ่งเรารู้ทันจิตละเราอย่าไปอยากหายมันมีความอยากซ้อนขึ้นมาอยากไม่เพ่งให้รู้ทันที่อยากแล้วก็หายใจไปแล้วจิตไปเพ่งรู้ทันจิตคลายออกมารู้ทันจิตเป็นยังไงรู้ทันลองไปทานะลองไปทําดูครับคุณค่ะแล้วสงสัยก็มาส่งกันบ้าน นมัสการหลวงพ่อครับคือช่วงหลังๆเนี่ยผมมีการเปลี่ย น, ปยนแปลงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตนิดหน่อยทำให้จิตมันลักษณะมีโมหะเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้จะฟุ้งซ่านเยอะกว่าทุกครั้งที่มามส่งกันบ้านนะครับดีสิทาไงดีไม่ต้องทำเอาอย่างที่พระเจ้าบอกนะดูคราฟิกสูทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านสังเกตไหมจิตเป็นของห้ามไม่ได้ จิตจะฟุ้งซ่านจิตจะฟุ้งของจิตได้เองเนืเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ใช่เรียนเพื่อให้มันไม่ฟุง้งถ้าจะเรียนเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านนันนั้นคือสมถะกรรมฐานเท่าธรรมวิปัสสนากรรมฐานจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเข้าฟุ้งของเขาเองครับผมดูอย่างนี้บ่อยๆแต่ว่ามันฟุ้งมากเกินไปจนเห็นใจรักณ์ไม่ได้นะครับผมถ้ามันปุ้งมา ก, กันนั้นต้องทําสมถะฟุ้งจะไม่เห็นใจรักนะทําสมถะ แต่แรงที่จะทําสมสถะมันไม่ค่อยมีเลรียนดูกายไ ป, ยไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายพยักหน้าขันแยกแล้วไปกลัวอะไรครับผมขอบคุณค ร, รู้สึกไหมกายกับจิตเป็นโคนละอนดูเป็นอยู่แล้วขันแยกถ้าดูจิตไม่ได้นะดูกายเลยเห็นกายกับจิตแยกกันไปได้แต่ไม่ประคองให้แยกนะถ้าประคองให้แยกจิตจะตึงเครียดครับผมดีขึ้นมากแล้วนะไม่ใช่แย่ลงนะ ทำไมที่ฟุ้งกว่าเก่ามันไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมหรอกมันไม่เพง่งแต่ก่อนนี้มันเพ่งลูกเดียวเลยนะไม่ยอมฟุ้งหรอกถึงจะอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรมันก็ไม่ฟุ้งหรอกอครับตอนนี้เราลดการเพ่งลงต่ฮงดีแล้วครับผมรู้สึกไหมใจมันเบาขึ้นก็รู้สึกครับผมออรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นแหละตอนจะเหมือนทุ่นยนครับเออนั่นแหละไม่ถูกเลยนะกลับหลวงพ่อครับ Ừ, ช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจิตมันหมดแรงในการปฏิบัติแต่ว่าเมื่อช้ามาฟังหลวงพ่อก็รู้สึกว่ามันมีแรงมากขึ้นนะครับธรรมดานะหลวงพ่อเมื่อก่อนตอนเป็นโยมมีแรงอยู่ช่วงหนึ่งแรงก็หมดก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปนั่งฟังท่านเทศท่านอะไรอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวมีแรงแต่แรงก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็หมดอีกแล้วก็ที่ภาวนาที่ภาวนามาก็รู้สึกว่ามันดูได้อย่าง เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับมันไม่ค่อยดิน้นมันแต่ก่อนที่มันแรงเออนะขันมันแยกแล้วละ่ะก็ขอคําแนะนําหลวงพ่อหน่อยครับตอนนี้ก็เพิ่มความสงบขึ้นไหน่อนจิตฟุ้งไปสมาธิไม่พอไม่มีแรงก็ทําความสงบวิธีทําความสงบเอย่าไปบังคับจิตนะเช่นเราพุโทโธพุโทโธไปอย่างสบายใจจิตไหลไปแล้วรู้หรือหายใจไปอย่างสบายใจจิตไหลไปแล้วรู้เน้นที่ความสบายใจ รู้สึกตัวไปด้วยความสบายใจเดี๋ยวก็ได้แรงนำ้ำมันสการหลวงพ่อค่ะตั้งแต่หลวงพ่อเคยบอกให้ดูกันถูกครอบงำอะค่ะก็รู้สึกว่าเริ่มได้ประโยชน์จากคราวที่แล้วมากขึ้นเออดีสินะอารมณ์เราอะไรครอบงำจิตนะค่ะแล้วก็เห็นความทุกข์ว่าไม่เคยเป็นกลางกับความทุกข์ค่ะดีแล้วก็ชอบความสุขทุกครั้งแต่ความทุกข์บางบางครั้งเนี่ย บางครั้งเหมือนเหมือนเห็นแล้วก็ยอมให้คือเห็นแบบมีสติอะน้อยอะค่ะแต่ก็เคยเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วล่ะที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นแล้วนะรู้สึกไหมเรามีแรงมากขึ้นใช่ค่ะนะจิตจะมีกําลังมากขึ้นนะไม่ถูกมันครอบงํานะ้ครอบงำมันหมดเลี้ยวหมดแรงไปเลยไปฝ<ก>ึกต่อมามาวัดได้เหมือนอยากมาวัดได้ฟังทำได้ค่ะแต่ว่าจะมีกิเลส ต, ตัวหนึ่งคือจะไม่ชอบคนดีอะ จะเวลเห็นคนภาวนาหรือแบบโดยเฉพาะมาว่าจะมีคนดีเยอะอะค่ะอืจะเห็นโทสะตัวเองผุดตลอดนะคะอย่าเชื่อสิผู้ร้ายทั <S <S anyway> ้งนั้นแหละเขาแกล้งดีลองไปถามสิแต่ละคนเห็นกิเลสไหยกิเลสเขาก็ไม่น้อยกว่าเรานะเหมือนเห็นเห็นอัตตาเขาอะค่ะแล้วก็เลยได้ย้อนกลับมาเห็นว่าจริงๆเราอัตตาเยอะมากหลักดีมากเลยนี่เห็นไหมเห็นอัตตาเขาเห็นกิเลสเขาเหมือนกันใช่ไหม เขาไม่ได้ดีตลอดหรอกเขาก็ดีเป็นคราวๆรลวงพ่อค่ะเรามีตัวจริงในโลกไหมคะเหมือนเวลาเราอยู่กับลูกเราเป็นแบบนี้<ม>อยู่ตลาดออ<ล>นั่ น, นแบบตัวปลอมแล้วเรามีตัวจริงไหมคะมีสิตรงที่ไม่ได้ยุ่งกับใครนะรู้สึกตัวของเราอยู่เฉยๆเราจะพบว่าตัวจริงของเราว่างเปล่าตัวจริงของเราว่างเปล่านะส่วนตัวที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเปลือกเคยเห็นต้นกล้วยไหม เราต้นกล้วยมาลอกออลอกนะจะดูแก่นของมันดูตัวจริงของมันอ่ะแล้วมันจะว่างเปล่ามีแต่เปลือกขออีกนิดนึงนะคะเคยมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อถามอะคะ่ะว่าเรารู้เสียงด้วยอะไรอะคะ่ะแล้วทุกคนก็ ตอบว่ารู้ด้วยหูแต่ว่าหนูเป็นคนเดียวที่ตอบว่ารู้ด้วยจิตแล้วหนูก็เอ๊ะทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็พยายามไปเพียนดูค่ะหนูก็เห็นว่าทุกครั้งเวลาได้ยินเสียงอะเหมือนจิตมันพุ่งไปแล้วทําไมเราถึงรู้ด้วยหูไม่เข้าใจอะ่ะรู้อนะอะไรเป็นตัวรู้ล่ะจิตเป็นตัวรู้นะหูเป็นแค่เครื่องมือเป็นอายตนะเป็นทางผ่านของจิตเท่านั้นเองดังนั้นคนที่รับรู้เสียงเนี่ยก็คือโสตะวิญญาณจิต คือตัวจิตนะที่เป็นตัวได้ยินเสียงแต่อาศัยประสาทหูไปรับกระทบคลื่นเสียงแล้วจิตเป็นคนรู้ใครเป็นคนมองเห็นรูปจักขวิญญาณจิตเป็นคนเห็นรูปเห็นไหมจิตเป็นตัวเห็นนะจิตเป็นตัวได้ยินนะมีตาแต่ไม่มีจิตก็ไม่เห็นรูปมีหูแต่ไม่มีจิตก็ไม่ได้ยินเสียงแสดงก็เราก็เห็นถูกใช่ไหมคะว่าจิตมันไปคว้าเสียงเออเห็นถูกของเขาก็ถูกของเขา ถูกเป็นขั้นเป็นตอนไปขอบคุณค่ะถ้าถามว่าใครเป็นคนรู้ฟังเสียงใครเป็นคนได้ยินเสียงก็จิตได้ยินเสียงอะไรเป็นเครื่องรับเสียงก็หูเป็นคนรับเสียงเป็นตัวกระทบเสียงแต่จิตเป็นคนรับรู้น่าว่าไปคุยกับหลวงพ่อมา่ตอนสี่เดือนที่แล้วหลวงพ่ อ, อบอกให้ไปดูเรื่องตัวประคองอะคะ่ะ หนูเห็นว่ามันมันจะมีการขยับเพื่อสร้างบางอย่างนะคะแล้วก็ตีแล้วนี่<ม>ก็เห็นน่าถูกแล้วล่ะน้องไงเราช่วงที่ผ่านมาก็คือมันจะเดินแบบเพราะในช่วงอาทิตย์นึงจะมีวันหนึ่งเนะะี่ยค่ะที่มันรู้สึกเหนื่อยมันก็จะพักอพอพักเนี่ยติดมาสักสองสามวันมันก็จะแบบนิ่งๆอะคะ่ะแต่หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเคลื่อนไหวเดินใช่ได้ ถ้าอย่างนั้ไม่ใช่ปัญหานะเวลาจิตต้องการพักก็ให้เขาพักไปอย่าไปฝืนฝืนแล้วปวดหัวนะให้เขาพักไปแต่พักพักแล้วเขาไม่ยอมเดินปัญญาต่ออันนี้มันเป็นปัญหาละของหนูถ้าพักแล้วมันพักพอสมควรแล้วมันออกมาเดินปัญญาต่อไม่ใช่ปัญหาเลยเวลาที่พอเวลามันเดินปัญญาตอนทําในรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นทุกอย่างเป็นของปลอมหมดอะคะแม้ว่ามันสร้างสภาวะนิ่งๆขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันยังออกนอกอใช่ ตัวนิ่งแล้วตัวออกนอกอีกที่หลวงพ่อบอกว่าจิตมันไหลเอาไปอยู่กว่าความนิ่งๆเลยนาะใช้ไม่ได้จริงหรอกหลวงพ่อคะแล้วเวลาที่ว่าดูทุกเห็นทุกอะค่ะมันคือตัวทุกขลักษณะหรือตัวเวทนาคะไม่ได้ดูตัวเวทนาเราดูตัวขันนั่นแหละในความเป็นจริงตัวขันมันเป็นตัวทุกข์นะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นตอนนี้ก็แค่เห็นเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเห็นรูปบ้าง เห็นจิตบ้างนะเห็นสัญญาบ้างสังขารบ้างเห็นตัวขันไปเรื่อยๆแล้ขันแต่ละขันแสดงใจรักไปเรื่อยๆบางคนก็จะเห็นเด่นอยู่ที่ตัวเวทนาถ้าเขาดูเวทนาแล้วจิตตั้งมั่นสติเกิดใบก็ดูเวทนาเป็นหลักแต่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่แค่ว่าดูตัวทุกข์คือตัวเวทนานะคาว่าตัวทุกข์ก็คือดูขันห้านั่นแหละ ทุกขลักษณะบางคนเห็นขันห้าในมุมของทุกขลักษณะบางคนเห็นในมุมอนิจจังบางคนเห็นในมุมอนัตตาใช้ได้ทั้งนั้นเลยการได้เห็นธาตุเห็นขันของเราตามความเป็นจริงอันนั้นแหละเรียกว่าเห็นตัวทุกข์เพระนิยามของว่าทุกนะบอกสังขิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งหนั่นแหละคือตัวทุกข์หนูเคยเห็นในสมาธิอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะคือสภาวะมัน มันสั่นก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปตัวนั้นคือตัวลักษณะของอันนั้นนะลักษณะเป็นทุกขลักษณะทนอยู่ไม่ได้แล้วถูกบีบคั้นนะครับ<อ>พวกที่มีสมาธิมากนะจะเห็นทุกขลักษณะเด่นแล้วเวลาบรรลุพระอรหันต์อะไรเงี้ยก็จะบรรลุด้วยการเห็นทุกข์นะแต่มันปนๆนกันนะคะว่าดูโดยความมันเปลี่ยนไปกับความบังคับไม่ได้ ะ, ะอะไรก็ได้ เวลาที่เขาตัดสินความรู้เขาดูของเขาเองว่าจะดูมุมไหนเราไม่ต้องเลือกหรอกเราดูอย่าที่ดูนี่แหละก็เดินไปแบบนี้ใช่ไหมคะรู้สึกไหมตรงส่งไมออกไปเนี่ยเราส่งภาระออกไปตรงนี้หละถูกเป๊ะเลยนี่แหละถูกเป๊ะเล ย, ลเเลยรู้สึกไหมจิตมันมีความสุขขึ้นในตัวมันเองได้รู้สึกไหมไม่มีอะไรเลยรู้สึกไหมกระทั่งตัวจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ได้บอกว่าเป็นเราเลย ตัวนี้ดูออกไหมมันว่างเห็นไหมว่าขันทั้งหมดเนี่ยปรากฏแก่เราเป็นของว่างไม่ได้มีตัวมีตนตรงไหนเลยแต่ถ้าไปประคองด้วย ม, มันก็มีนะไปหันดูเรื่อยๆพอนานดีตอนที่ส่งไมออกไปนี่แหละครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปทําในรูปแบบทุกวันคะ่ะก็ไปทําในรูปแบบ ทุกวันพยายามทําทุกวันแต่ว่าทําครั้งล้ําไม่เกินแบบ10นาทีเล<อ>ย่าเงีได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็พอปฏิบัติมาเรื่อยๆก็เห็นว่ามันอยากดีมันโลภแล้วก็มันตึงมากค่ะเสร็จปุ๊บพอผ่านไปช่วงนั้นก็เผลอไปเลยแล้วก็เห็นแบบอัตราแรงมากค่ะทั้งที่ไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้เยอะเยอะค่ะแล้วก็หัดดูเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่ากิเลสเยอะกว่าที่เรานึกนะค่ะเหมือนทุกครั้งทุกอย่างที่จะไม่ว่าจะโกรธหรือจะโลภหรือจะจะมีอัตรา มาก่อนตลอดนะคะบางทีกระทั่งยิ้มยังมีอัตตาซ่อนอยู่เลยนะนี่ชั้นยิ้มนะ่ต้องยิ้มให้สวยอะไรเงี้ยมันจะซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะจะบริโภคอาหารหรือวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆนี่มันจะแฝงอัตตาไปได้เรื่อยๆถ้าเรามีสติมีปัญญาเรารู้ทันไปเรื่อยนะแต่ไปใจเราค่อยคลายออกคลายออกสบายมีความสุขรู้สึกไหมว่ามีความสุขมากขึ้น ะนะภาวนานะเราดีขึ้นอนะเราต้องหนูต้องทําอะไรเพิ่มไหมคะทําสม่ําเสมอนะวันหนึ่งทำสิบนาทีก็ได้นะแต่ต่อไปพอความเพียรเราเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มรอบมีรอบเช้ารอบกลางวันอนะไรเงี้ย่แเพิ่มรอบมันเพิ่มของมันเองมันอยากเพิ่มเพราภาวนาแล้วมันมีความสุขถ้าหนูภาวนาแล้วแบบเวลาจะนั่งแล้วมันอยากสงบหรือมันอะไรเงี้ยค่ะให้มันสงบไปให้ไม่ห้ามนะ พอเขาสงบพอสมควรนะ้จิตเขาถอยออกมาแล้วก็มาดูไกายเห็นนั่งกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆไปดูจิตไม่ได้มันจะว่างๆคือหนูจะเห็นว่าบางทีหนูก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เอแต่ว่าจิตยังไม่เห็นนะคะเอไม่เป็นไรนะเอาเห็นกายให้ไม่ใช่เราไปด้วยแต่จิตเป็นคนดูต่อไปมันก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราเวลาพาวนามจะเห็นกายไม่ใช่เราก่อน เราถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราแล้วเวลาไม่ยึดถือมันก็ไม่ยึดถือกายก่อนแล้วค่อยไม่ยึดถือจิตทีหลังกราบหลวงพ่อครับคือรู้สึกก่อนมาวัดนี่เหมือนภาวนาไม่เป็นอืมแล้วพอมาวัดเลยภาวนาเป็นแล้วไม่แน่ใจ <laughs> <laughs> เห็นกิเลสบ่อยไหมแต่ละวันแต่ละวัน มีไหมมีกิเลสไหมหรือไม่มีมกิเลสมีครับเยอะ <c oughs> เยอะไห<อ>มครับก็ยิ่งเยอะยิ่ ง, งดีนะครับถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันเรื่กงขอเรามีสติแล้วครับเห็นไหมใจมันโกรธได้เองเห็นไหมมันโลภได้เองอันเนี้ยเราไม่ได้สั่งให้มันโลภไม่ได้สั่งให้มันโกรธนะเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเห็นไหมใจเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์ได้เอง <c oughs> เราสั่งมันไม่ได้แล้วไงอ๋อเราก็รู้สึกแบบว่ากายกับใจเป็นคนละอัน เห็นหรือยังอันนี้เห็นไหมชัดไหมบางทีก็ชัดแตครับมันเริ่มแยกแล้วนะกายกับใจเป็นโครลันกันต่อไปก็ดูความสุขความทุกข์กับจิตใจก็โคลันกันกิเลสกับจิตใจก็โครลันกันค่อยหัดดูหัดแยกไปเรื่อยครับนะต่อไปก็จะเห็นเลยทุกอย่างนี้แหละที่เป็นส่วนๆถูกแยกออกไปแล้วไม่มีตัวเราสักอันเดียวเลย เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากิเลสก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราค่อยๆยแยกไปนะแล้วก็ดูไปด้วยเดี๋ยวค่อยเห็นเองแหละ<อ>ไม่ต้องไปคิดมากนะคิดมากไปแล้วว่าทาไงจะเห็น <laughs> คิดเยอะไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือช่วงนี้รู้ได้น้อยลงแล้วก็แยกได้น้อยลงแล้วก็ยังหลอนใจอยู่เจ้าค่ะมันโมโหบ่อยไหมหลงบ่อยเจ้าค่ะโกรธอ่ะโกรธบ่อยมัอไหมให้รู้ทันนะใจมันถูกอารมณ์ครอบงํามันลากเราไปเรื่อยๆเลยลืมตัวเพราะฉะนั้นพยายามรู้ทันความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเราคอยรู้ทันรู้ทันบ่อยๆเดี๋ยวมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ถี่ๆขึ้น พอรู้สึกว่าโกรธแล้วมันก็ต้องล้งไว้ใช่ไหมเจ้าคะเราถือศี่หเท่านะโกรธแล้วเราก็ไม่ด่าใครไม่ตีใครไม่ตกใครนะแต่ว่าไม่ห้ามใจใจโกรธให้รู้ว่าโกรธแต่ถ้าโกรธจนทนไม่ไหวจะตีเขาแล้วก็เดินหนีไปก่อนยอมแพ้หนีไปก่อนแล้วก็คอยรู้ทันใจเราไม่ได้พาวนาแบบเก็บกดนะห้ามโกรธนีเก็บกดนะโกรธได้แต่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธโกรธแล้วก็ไม่ทําอะไรที่ผิดศีลห้า กลับนมัสการครับอืไปผมสัญญารับ <laughs> <laughs> ก็ไปดูกายครับไปดูกายมาคราวนี้ช่ว<จ>งสองวันแรกมันก็ดูไม่เห็นยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่ก็ทอ่ทองท่องธาตุสี่ไปครับคืนสุดท้ายครับก็พอนอนนอนแล้วก็ดูแต่ว่าลืมตาดูมันก็เห็นว่าหมาเห่าเข้ามามันก็มีเสียงเข้ามาแล้วมันกระดับไปเออยิ่งดีเข้ามามันก็ดับไปเออ แล้วก็มีเสียงตัวเองมันออกไปแล้วมันก็พูดขึ้นมาอืครับน่นรู้ทันมันนะครับไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินร้ายหรอกแต่ถ้ารู้แล้วยินดีให้รู้ทันรู้แล้วยินร้ายให้รู้ทันนะครับจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางจิตยังไม่ค่อยกลางหรอกแล้ว ก, วก็ก็ลองพอนอนดูได้ลืมตาดูได้แล้วก็ลองนั่ง อ, อนนี้นั่งลืมตาบ้างออืก็เลยเข้าใจว่าไอ้ที่นั่งที่ผ่านมาที่หลับตา หลวงพ่อเคยบอกให้ปล่อยให้ปล่อยเ อ, อคือมันมันเพ่งไวอะครับใช่ตอนนี้ภาวนานดีกว่าเก่าแล้วละ่ะครับรู้สึกแม่ใจมันโปรลงกว่าเกา่าครับมัน ร, รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วสองสวันนี้มันรู้สึกเบิกบานบออโดยเฉพาะเมื่อวานแล้วก็ที่มก็จิตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะสมันเป็นโดยตัวของมันเองแหละนี่เราไปยุ่งกับมันเองไปบังคับมันไปทําให้มันเครียด เวลาเราพอนาเนี่ยเราไม่รู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็ไปบังคับจิตจนมันเคร่งเครียดล้วก็ทนเราคิดว่าบังคับไปวันหนึ่งจะแจ้งในธรรมะไม่แจ้งเราคนละเรื่องเลยครับปล่อยให้มันทำงานแล้วก็ได้เห็นมันตามที่มันเป็นจะรู้เลยว่าไม่มีตัวเราตรงไหนเลยธรรมดาธรรมดามเข้าใจคาว่าธรรมดามากๆเออนั่นแหละธรรมดานธรรมะนั่นแหละธรรมดาแล้วก็ความเป็นเรา ผมไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับมาก็รู้ไม่มีก็ดีแล้วสาธุครับไปดูนะไปดูว่ามันมีไม่มีนะมันมีนะ <c oughs> ไปดูครับมีไม่มีนวัต ก, การมคะ่ะหลวงพ่อเป็นโรคพุ่มพวงเหรอค่ะคุณหมอว่าเป็นโครคอะไรคโลคพุ่มพวงคะ่ะโรคเอสเอลอะคะ่ะคุณ ที่ยายหลวงพ่อที่ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยคะ่ะมันยังอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างนะคะดูลงไปนะร่างกายก็ส่วนร่างกายน ะ, ะจิตใจก็ส่วนจิตใจร่างกายป่วยเป็นเรื่องธรรมดาใจของเราอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูฝึกบ่อยๆน ะ, ะเอามีใครอีกไหมหลวงพ่อค ะ, คะและ้วที่แล้วที่นอนแล้วเห็นว่าฟันตัวเองคะ่ะมันหลุดไปทั้งปากนี่คะคืออะไรคะคือฝันร้ายไงฟันร้าย <laughs> พอดีผมโชคดีที่มีเพื่อนที่ได้ชี้ทางให้พบพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็สองเดือนที่ผ่านมานี้ก็ได้ทดลองปฏิบัติแล้วก็แรกๆเนี่ยกุดงิดมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เดินใช้วิธีเดินปกติจะออกกำลังอยู่แล้วก็เดินแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ได้ฟังจิตของพ่อนะครับแล้วก็มันมีความรู้สึก บางทีมันวูบว่าวุบวาบแล้วก็เหมือนบางทีเหมือนกับขั้นเนื้อขั้นตัวครับแ ค, แค่รู้นะอะไรเกิดขึ้นในกายก็แค่รู้แค่เห็นอะไรเกิดขึ้นในใจก็แค่รู้แค่เห็นไปอย่างร่างกายมันรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวขึ้นมาใจเราเป็นยังไงใจเราสงสยรู้ว่าสงสารใจกังวลรู้ว่ากังวลให้รู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองขอบคุณครับ มาครั้งแรกนะคะหลวงพ่อ ก, ลกอ็ลูกอยากรู้ว่าเวลานั่งปฏิบัติในกรรมฐานนะคะหลวงพ่อต้องน้อมนําจิตให้คิดเรื่องไตรลักษณ์ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ได้น้อมนํามันก็จะไม่เห็นนะคะคือถ้าขึ้นวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยนะเป็นการเห็นสภาวะจริงๆนะไม่ได้คิดเอาแต่เบื้องต้นจะคิดเอาก่อนก็ได้เป็นอุบายเพื่อให้จิตไปหัดรู้ความจริงของกายของใจ เวลาโกรธรู้จักไหมโกรธโลภรู้จักไหมรู้จักพุ่งซ่านล่ะรู้ค่ะเป็นไหมพุ่งซ่านโหูเป็นไหมเป็นค่ะเออนะเป็นสุขรู้จักไหมทุกข์รู้จักทั้งนั้นอ่ะหนูไม่เห็นว่าจะต้องน้อมนําอะไรมันก็รู้จักอยู่แล้วนั้นต่อไปนี้นะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับใจเราก็รู้ไปตอนนี้กําลังสงสัยตอนนี้กําลังสนใจอยากฟังนะตอนนี้กําลังงงเนี่ย รู้ทันใจของตัวเองที่เป็นปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้แหละไม่เห็นต้องน้อมไปไหนเลยนะง่ายๆอจะาตายไปโกรธเป็นไหมเป็นค่ะเอออิจฉาล่ะเคย อ, อิจฉาไหมเป็นค่ะเนี่ยอย่างกําลังอิจฉารู้ว่าอิจฉาอะไรเงี้ยในเนี้ยคนที่อิจฉาเยอะนะเวลาคนอื่นส่งกันบ้านนะอิจฉากันเป็นแถวเลยนะนะไปหัดดูนะไม่ใช่ต้องน้อมไปไหนหรอกค่ะถ้าหมดเวลาแล้วล่วนะนะเชิญกลับบ้าน